na mô thậtsa a tu samasú thậtsa na mô thậtsa a ra tu samasambu thậtsa na mô thậtsa Guthang dhammang saṅkhaṁ namatshāmi te Imatsa dhamma pariyāyasa atho sādhāyatsamantehi sakacang dhammo sotambo te วันนี้เป็นวันละสารหะบุญรามีนิธิวัน เป็นวันที่องค์สมเด็จอนุญาตให้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุภิกษณีได้อยู่ เป็นที่เป็นทางที่เป็นซึ่งเรียกว่าจุดเพราะเหตุว่า ฤดูกาลผลเหมาะและสะดวกในการจาลิกเหมาะและสะดวกในการๆในประการนี้อีก เช่นกันเถาะปุพืชพันธัญญะหารของประชาย่อมจะทําให้พืช เกิดความเสียหายความสิ่งที่หายตลอดทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยทํา ดังกล่าวนี้กล่าวนี้เป็นข้อบังคับและอนุญาตพระดังกล่าวอยู่เป็นที่เป็นทาง และก็เพื่อจะได้ประกอบความภาคความเพียนเกี่ยวกับการที่เป็นทางนั้น การศึกษาเล่าเรียนทั้งบนสาธยาย ในกิจการเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างเพื่อชําระกาย ตามที่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ วันเป็นเพ็ญเช่นวันนี้ 8 เช่นวันนี้ทั้งหลายต่างก็และอุบาสก ก็จะได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติได้ตั้งอย่างเต็มความสามารถศึกษาปฏิบัติ พวกเราทั้งหลายก็จะใช้การเวลาทั้งหลายก็จะใช้กาล แต่พอมาถึงการฤดูฤดูกาล เมื่อสักครู่บ้างก็ได้ปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการน้อม อัศจรรย์กิเลสซึ่งพระธรรมทั้งปวงมีอริยสัจ การเครื่องเสาะคือตัดขาดด้วยแก่อาสวะ ขึ้นมาได้อีกต่อไปพระองค์ พระปัญญาคุณทรงซึ่งโลกทั้งหลายทั้งเรียกว่าโลกวิถูโดย ขึ้นชื่อว่าไม่มีสิ่งใดแล้วพระองค์ทรง ไม่มีเลยนอกจากนี้เลยนอกจากนี้พระองค์ประยง แต่ปรวงสัตว์ทั้งหลายพวงสัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะสัตว์เหล่าท่านๆเท่านั้นขึ้นชื่อว่าสัตว์ แม้สักที่ยังท่องกลมมี ملك พรมก็ดีเทวดาซึ่งมาจากเหตุที่ดีก็ดีเป็น เหตุไถในได้แก่กรรมกรรมแปลว่า ก่อให้ซึ่งมาจากกรรมดีผลคือมนุษย์ นี้เป็นจํานวนมากเมื่อกล่าวประมวลโดยย่อซึ่ง ได้แก่นรกนรกก็มีเป็น นรกเปรตของกรรมที่ชั่วสะเตฌานย่อมกล่าวได้ว่าไม่ดีหมาย เรียกว่าไตรภพคำว่าโลกวิทูทรงรู้แจ้ง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเน้น 5 ประการพวกเราก็เคยสวดหรือเคยได้ยิน kamma bantu kamma patisara lo kamma sukumhi rawo mi kam pen khong khong ton kamma kam เป็นผู้ให้ผลผู้ให้ผลหรือแสดง สัตว์นรกไปถึงสุรกาย หมายถึงเหมือนเงากับตัวเมื่อมีตัวกับเรานั่นน่ะแยกออก ตัวที่จะก็ฉันนั้นปรากฏของเงาแยกออก เลือลูกของบิดามารดาของปู่ย่า ปัจจุบันก็แยกได้ก็แยกได้อาจจะเลิกราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติ ดังเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏน้อยใหญ่ก็ไม่แน่ว่าเรา ณปัจจุบันชาตินี้เดี๋ยวนี้ แก้วสารพัดนึก 3 ดวงในแก่พระ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าย่อๆได้ว่ากุได้ ย่อมเป็นที่รวมเป็นเรื่องบุญ บอกความสุขความนิมิษหมายว่าความ ทำที่เป็นบุญและเป็นกุศลกุศลในที่ ในแก่ความรู้แจ้งแทงตลอด คำประมวลลงมาในส่วนทําที่เป็นบากประมวล หรือกรรมกุศลเป็นลักษณะของ จะจัดเป็นบุญเป็น เพราะพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พุทธบริษัทมีอยู่ในจิตใจของตนของตน เมื่อวันสําคัญคือวัน ต่างๆกันการประกอบการกุศลทั้ง ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันที่พระหมุนไปทรง จักคือทำนี้เมื่อหมุนไปสู่ดินแดน อัศจรรย์ดังกล่าวนี้องค์สมเด็จพระผู้มี ในโลกคือวันนี้สถานที่ประกาศ ในซึ่งเป็นเหตุว่าธรรมจักรเสบิปริเหตุให้ มาเปรียบเวลาช้านานนับ นั่นเดินมาหลายไม่ใช่น้อยเท่า ให้นำไปอ่าไม่ใช่วันนี้ 6 ก่อนจาก 2 เดือนคือ 6 แล้วเด 7 เดือน 8ณ เมืองพุทธคยาเมื่อละพระองค์ทรง แคว้นเมืองพาราณสีเป็นระยะทาง ที่ทรงยังธรรมจักรดังไว้ในใจเป็นนิดให้ สมบูรณ์บริบูรณ์พุทธรัตตนะแก้วคือพระพุทธธรรมรัตตนะแก้ว เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะวันเป็นวัน ผู้ที่ได้ประสบผลองค์แรกก็คือ คือเป็นพระโสดาบันตัดกระแสของโลกได้มีครบ สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกเราดังจึงได้พากันมาเพราะฉะนั้นพวกเรา ทางพวกบางเหล่าก็ได้บา ถ้าตุมือทั้งสองเราพนมถ้าเจดี 3 รอบใน แล้วก็กลับไปสู่เคหากําลังคือศรัทธาวิริยะอุตสาหะที่ เป็นวันพิเศษวันพิเศษตามปกติเราทั้งหลายจะประชุมกันใน 4 ทุ่มแต่วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวัน ถึงสองอย่าง 2 ส่วนผู้ที่มีคือกําลังมากเพื่อจะเสริมเติมต่ออินทรีย์ สมาธิ 4 ปัญญา 4 อินทรีย์คือความ แต่ละอย่างเป็นเป็นใหญ่ในความมีสติในความเชื่อเป็นใหญ่ กำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือชาติ มานาดิพบชาติปัจจุบันในการก่อนก่อนปัจจุบันในการก่อนก่อน พัฒนาที่มีอยู่ในจิตใจของตนที่มีอยู่ใน นี่นอกพวกเราทั้งหลายนี้แล้วพวกเราทั้ง โดยอภิสบูชาบ้างในการปฏิบัติบูชาบ้างดัง ดาวขึ้นมาก็ได้เตรียมอาหาร ว่าถึงจตุปัจจัยนดจันกันไปเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมๆ ให้แก่ตนของตนเนื่องใส่ตนของตน ดังที่กล่าวแล้วว่าเพื่อต้องการ เราย่าเห็นว่าการเกิด มากพอที่จะทําต่ําเหมือนสัตว์นรกพอ ที่ทําให้พวกเราทั้งๆใน อันนี้ยิ่งกว่านั้นแล้วแสดงให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นเชื่อได้นั่นดีเราได้มีความเชื่อนรก โดยความเป็นศีลและธรรมหรือ ถึงเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาดีพอถ้าเราไม่มีสถาดีพอพอถ้าเราไม่มีศรัทธาดีมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ กุศลผลบุญที่พวกเราทั้ง บุญที่พวกเหล่าส่งให้เพราะฉะนั้นได้บํากระทํา ทั้งเป็นการประกาศถึงผลของบุญประการในอดีตทั้งนั้นเป็นได้ชื่อว่าประกาศ ไม่มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่น่ามัวเมา ที่ในปัจจุบันเราจริงได้พากันสร้างได้เคยสั่งสม และสมบัติอันสูงสุดในการ ในชีวิตคือความเป็นอยู่ของพวกเราชีวิตคือความและความดีทั้งหลายอยู่ สมนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับต้องขึ้นอยู่กับ กระบอเราไม่มีศรัทธาสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่ง เพราะเพราะอะไรศรัทธานั่นแหละถ้า ดังนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาน่ะเป็น แม้สําเร็จมาจากการกระทํา บุคคลใดทําบุคคลนั้นก็ เมื่อบ้านการมีพระกำลัง ก็เพราะนั้นแหละจะเป็น 5 เบื้องต้นเรา สุดท้ายที่สุดเราก็ต้องอาศัยกรรมกรรมความเสื่อมความ แต่เมื่อคนเราไม่มีความเสื่อมความเจริญเลยปรากฏนั่นอันนี้กล่าวโดยทั่วๆไปเพราะว่ามันไม่ ที่ไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักภาวะในความเป็นคนตัวเองเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วรู้ก็ไม่รู้จักหน้า แต่จริงโดยสมมุติจำในที่เขาสมมุติให้เพราะอย่าลืมว่าเป็นอย่างไรๆก็ตามมัน เพื่อเป็นการเสริมเป็นการเสริมความเป็นก็สมมุตินั้นให้สมบูรณ์เป็นจริงอย่างสมมุติ การๆก็หาเพราะว่าเป็นคนดีได้จะต้องมีการกระทําต่อว่าเป็นประกอบเพราะ เราถ้าจะมองถึงการสมมุติทั้งหลายถ้าจะมองถึงการอืมพ้นจากท้องมารดาออก เป็นพระเป็นเมนเป็นเถนถ้าไม่มีฌีเป็นศิษย์ มันมีความหมายอยู่ตรงที่องค์การณ์การประกอบเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่อง เยี่ยงอย่างอย่างพระแต่ไม่ได้เอาหมดเอาบางสิ่งบางประการเอาแต่พอประมาณเหมาะสมแก่กันเมื่อเข้าพรรษาแล้ว ท่านเหล่าคงตั้งใจศึกษาปฏิบัติในๆซึ่งออกพรรษาแล้วอาจละเลย จะมีความตั้งใจก็เป็นพิเศษมีความตั้งใจกันเป็น นังคนก็จะตั้งสัจจาอธิษฐานลง 3 เดือนเต็มมากจะพยายามใส่ปก 365 วันหรือ 12 เดือนเอา 3 เดือนก็ยังดีเรานี้เป็นต้นนอกจากนั้นทั้งแรมทั้งเต็มทั้งขาด เฉยฝากฝ่ายหวนกลับเข้ามาอยู่กับสิ่งภาย มักจะเผลอเรอไร้สติจิตแม่สิ่งทั้งหลายที่ยังไม่เคยปรากฏ อยู่เสมอๆอันนี้เป็นปกติเป็นธรรมดา ถ้าไม่มีคุณนามความดีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะตามปกติของมันแล้วคุมไปในทางที่ ไม่เข้ามาจิตใจก็เหมือนกันผลด้วย ของเล็กๆนี่น้อยก็หมดไปของใหญ่ก็เบา สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้น ขยันพรุ่งขยันแท้ศรัทธาไม่เราจะต้องการจริงใดมัน สร้างสิ่งนั้นสิ่งนั้นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิต โปรแกรมมีศรัทธาแก่กล้าจึงพากันแสวงหาบุญกุศลในภาคของการปฏิบัติบูชาจึงองค์สมเด็จ ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติผู้นั้นก็ย่อมจะได้ เปดาปราโมทย์ก็เพียงเล็กหนักแน่นน้อยๆผิวนั่นก็หมายถึงว่า จิตใจของเราที่มีปีติปราโมทย์เพียงเพราะอาศัยอมิตตบูชานั้นน่ะมันก็พร้อมที่จะแตกดับ เป็นต้นเท่านั้นมันก็ย่อม ไม่หลุดไม่สลายไม่หลุกสลายๆเพราะเหตุภายนอกเป็นเครื่องกระทบมี ในเรื่องผลของฐานนั้นเรื่องในบุญอยู่เสมอถ้าเรายินเรา ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าแสดงถึงเราจะให้ทานแล้วเราจึงต้องแสวงหาความดีใส่ตัวของเราแล้วว่าพวก 5 ก็ 18 อศีล ศีล 10 ก็ตาม 227 กรัมนี้แหละผู้ๆกันนี้นี้แสดงให้ มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ไม่ จึงธรรมไม่พวกเรานั้นขวัญฝ่ายความภาคความเพียรประโยชน์ยิ่งขึ้นไปก้าวขึ้นสู่ผลการภาวนา เราไม่เคยภาวนาก็หัดภาวนาขึ้นมาไม่ หัดตั้งแต่กายไปแล้วก็หัดเข้าไปถึงใจผู้จริงๆนั้นๆนั้นคือจิตใจ ไม่ใช่กายเขาจะมันเกี่ยวเนื่องกับใจกะดินดินแต่กายนั้นคอยต้อง ถึงขั้นของการวุฒิจิตมีการฝึกจิตการฝึกจิตฝึกใจของพวกๆง่ายกว่าการไม่ทานด้วย แต่ปริมาณก็มันน้อยนิดเดียว 40 นั่นคือแตอยอย 40 อย่างแต่บทที่ นี่แหละจริงๆว่ามันง่ายง่ายเพราะมันน้อยมันไม่มากทานก็มากสิปาทะกว่า เราก็ยังทําได้เจ้าถ้าจะว่า ศิลป์ 8 ศิลป์ 10 227 9 กายวาจาใจไปรองรับเหมือนกันหมด การที่เราจะตามรักษาทั้งรวม 227 มันมี 5 ภายใน 1눈2 หู 3 จมูก สี่ลิ้นห้ากายลิ้น 5 คือใจมีส่วนภายเนาะส่วนภาย ถ้าเรามาตามสํารวมอินทรีย์ 5 พิทารู้จะบู่ และชีวิตของเราได้ไล้ชีวิตของย่อลงมาเหลือสามหนึ่งกายเพราะดูกายทํา ยืนเดินนั่งพูดพูดขึ้นเกี่ยวกับกายตามดูตามรู้ ทำความเข้าใจพรแต่เขาหนึ่งเดียวทําจะ เมื่อมีใจสะดวงดีแล้วเข้มตรงคง 10 ก็มีอยู่ที่ใจศีลรอง กรรมว่าใจมีศีลนั่นน่ะเป็นยังไงใจไม่มีศีล ให้เราดูแล้วก็น้อมนี่ตาของเราดูยังไง ใจรับธรรมรมอย่างไรจึงเรียกว่าใจไม่มีศีลไม่มีทักษะถ้าเราเดียวศีล 1 มีเพียงเดียวถ้ายอมใจสําเร็จได้เป็นไปได้ไม่ ที่ประกอบด้วยศีลและธรรมไม่มี พยายามตัดกระแสอารมณ์ที่มันไม่เป็นศีลๆว่างๆมันตัดไม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอา ที่พึ่งของใจลมเหนียวธรรมะธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มี เป็นอันตรายต่อไม่เคยเอาใจใส่จิตใจของตนมีหรือ ในขณะที่เราหายใจเข้าขณะที่ลมเข้ามันเป็นอย่างนี้หายใจเข้านอกจากสติเครื่องระลึกรู้ หายใจออกก็รู้ว่ามันออกนี่ความ มoi มีราคะตัวสาโมหะโลภโกรธหลงมนาทิฏฐิเข้า ให้โทษแก่กายและจิตแก่กายและจิตเป็นลมที่ไม่บริสุทธิ์เพียง สติก็จะหน่วงเหนี่ยวมั่น เมื่อจิตใจมันป่องหรือลมละเอียดเยือกเย็นก็นี่ มันก็เป็นเมื่อเราอยู่ในกองลมดังกล่าวเพียงแค่นี้ที่ของ ซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านไปแม้เสียงจะมีอยู่ในปัจจุบันมันก็สักแต่ว่าเสียงไม่ว่าจะต้น สัญญาอารมณ์เหล่านั้นเมื่อสัญญาอารมณ์ไม่มีคือกิเลสอย่างกลางได้แก่ธรรมมีกามฉันท์ต้น ทำอะไรให้แก่จิตในใจของเราผู้ จิตของเราก็ผ่องใสเป็นมหากุศลสว่างสบาย เป็นผู้มีความกระหายในบุญบุญเกิดจากฐานแล้วไม่พอแสวงบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากศีลแล้วไม่พอแสวงๆเมื่อ เราบาปมีจริงกำจัดความสงสัยบาปมีจริงเราก็ เมื่อเราเลิกออกจากการภาวนากิเลสมันก็ ไม่ได้ไปสร้างที่อื่นไม่ต้องไป เราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังจงพา